จากนี้ไปเป็นการแสดงปาธกถาธรรมเรื่องนรกสวรรค์อยู่ที่ใจโดยพระธรรมโกสาจารยญญานันทพิคุวัดชนรบทานลังสริก ป, ปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่6ธันวาคม2541ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณนะบัดนี้ อุตต巴拉สัตทั้งหลายณ บ, บัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกรถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมาให้วุ่นวายนั่งณที่ใดสามารถ ได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้จงนั่งในที่นั้นแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเพราะการมาวัดนั้นจุดหมายสำคัญอยู่ที่มาเพื่อการศึกษา มาวัดเนี่มาเพื่อการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญศึกษาด้วยการฟังศึกษาด้วยการอ่านศึกษาด้วยการเข้าไปสนทนากับพระเพื่อจะได้รู้เห็นในธรรมะอันเป็นหลั ก, กรำสอนถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นมาวัดต้องทำตามจุดหมาย ไม่ใช่มาเพื่อเรื่องอื่นแต่มาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะวัดจรรตานรังสด็จเหล่านี้ตั้งเป้าหมายสำคัญไว้ที่ตรงนี้ตรงที่ต้องการให้คนมาวัดเพื่อการศึกษาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องไม่ว่าจะมาทำอะไร ก็พยายามพูดจาชี้แจงข้อธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทุกเวลาสังเกตดูให้ดีว่ามาวัดนี้จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจไม่มีเรื่องอะไรที่เรียกว่างมงายหรือออกไปนอกทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเมื่อเรามาถึงวัดแล้ว ก็ต้องตั้งใจว่าจะมาศึกษาพอถึงเวลาเก้าโมงก็ทำการตัมวัดเช้าสวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์นี่ก็เป็นการศึกษาเป็นการฝึกฝนไปในตัวศึกษาคำที่เราสวดเพราะมีคาแปลทำให้เราเข้าใจความหมายในคำที่เราสวด แต่ว่ายังไม่พอต้องเอาไปคิดที่บ้านเวลาไหนว่างๆก็อเอาหนังสือสดมนมานั่งอ่านพิจารณาความหมายของคำนั้นนั้นเช่นว่าคำว่าอารหันต์อรหังพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ก็มีความแปลว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงกระสรูอชอบได้โดยพระองค์เองเราก็ต้องเอาไปคิดว่าดับเพลิงกิเลสสิ้นเชิงเพลิงกิเลสมันคืออะไรเพลิงทุกมันคืออะไรแล้วในตัวเรานี่ยีมเพลิงอะไรเกิดขึ้นเผาเราอยู่บ้าง มีเพลิงโกรธเพลิงเกลียดเพลิงริษยาเพลิงพยาบาทอาฆาตจองเวรมีอยู่ในใจเราไหมถ้ามีอยู่เราก็ร้อนถ้าไม่มีก็สงบเย็นอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันมีอยู่มันมีมาอย่างไรมันมาทางไหนมันเกิดจากอะไร พ ร, ระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งตั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้เหตุนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ในตัวเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความคิดของเราเราสร้างเหตุสร้างผลให้เกิดขึ้นในตัวเราเองเราเป็นทุกข์เพราะเราสร้างทุกข์ เป็นสุขเพราะเราสร้างสุขเป็นบาปเพราะเราสร้างตัวบาปไปเกิดขึ้นเป็นบุญก็เพราะเราสร้างตัวบุญอะไรเกิดขึ้นมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นไม่ต้องไปเที่ยวโทษใครไม่ต้องไปว่าคนไม่ต้องว่าดวงดาวบนท้องฟ้าหรืออะไรอะไ ร, ะไรต่างๆแต่ต้องว่าตัวเองว่านี่เธอนี่แหละหาเรื่อง สร้างปัญหาหเกิดขึ้นในตัวเองนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องคิดแก้ไขการแก้ก็ต้องตัดที่เหตุเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุแต่ตัดเหตุได้ผลมันก็ดับหมายไปแต่ยังมีเหตุอยู่จะไปแก้โดยวิธีอื่นไม่ได้เพราะเหตุมันอยู่ในตัวเรา ก็ต้องดับที่ตัวเราแก้ไขที่ตัวเรามาแก้ได้เราก็สงบเย็นเราก็เห็นเองว่าเออมันสงบมันเย็นมันสวา่างไม่มืดไม่บอดเหมือนเมื่อก่อนไม่มีความร้อนในจิตใจใจสงบใจตั้งมัน่นอยู่ในคุณงามความดีอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในตัวเรา จากการที่เราศึกษาเราปฏิบัติคำสวดมนต์แปลทุกบททุกตอนเป็นแนวทางบอกให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเราจะต้องเอาไปคิดไปตรองที่ให้ท่องจำก็เพื่อจะได้คิดได้ไง่ายยกบทใดบทหนึ่งขึ้นมานั่งพิจารณาทบทวน การนั่งพิจารณาทบทวนนั้นก็เรียกว่าจเจริญภาวนาเหมือนกันจเจริญภาวนาในเหตุผลของธรรมะในชีวิตของเราเพื่อเราได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นแล้วมันก็มีความสว่างทางใจความมืดหายไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ก็หายไปผลมันก็เกิดขึ้นแก่เราให้เราเข้าใจอย่างนั้นมาวัดทาไม่ได้กังทำก็เหมือนกับไม่ได้มาเราไปงานต่างๆแต่ไม่มีการพูดธรรมให้ฟังไม่ได้เรื่องอะไรเดือนะดูแล้งนี่มีงานวัดมากบางวัดตํางงานตั้งสิบห้าคืน วาลูกในเม็ดเซฟาคืนเซฟาคืนในวัดเนาวเลยเหม็นตั้งวัดเลยปพราคนไปเที่ยวถายเที่ยวทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิไหว้ไม่มีคนดูแลเหม็นเนาวเข้าไม่ได้แต่ไขวันสุดท้ายแล้วก็เหม็นตั้งวัดไม่ได้เรื่องอะไรได้เงินนิดหน่อยมันก็ไม่คุ้ม แต่ว่าทำให้คนจิตใจตกต่ําควายเฟย่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลอะไรแต่ก็ชอบทำกันประกาศทางหนังซสื้อพิมพ์ทางโทรทัศน์ว่าวัดนั้นวัดนี้จะมีงานปลูกพัตตสีมาสิบห้าวันสิบห้าคืนหลวงพ่อฟังแล้วเขาตกใจตกใจว่าวัดนี้มันจะเน่าอ่ะ สิบ้าวันสิบห้าคืนมันก็เน่าเหม็นนะแม่ค้าก็ทิ้งสิ่งโสโครบในวัดพอเลือกวัดแมงวันเต็มวัดเลยนางจันเข้าวต้องรบก็บมาแรงวันเป็นเหม็นไม่เข้าเรื่องเลยมากเกินไปทําไมจะต้องทํามากมายถึงสิบห้าวันสองอาทิตย์เนี่ยมันมากเกินทําสักห้าวันก็เหลือเฟือแล้ว คนจะจำบุญเขาก็มานะนาวันแต่ตาสิบแปดวันก็ก็ไปวันสุดท้ายจะได้ไปเหม็นความเน่าของวัดบ้านแต่ก ว, ว่าไปเอามลพิษไม่ได้ไปเอาบุญไปเอามลพิษไปเอาขี้ฝุ่นสิ่งสกปรกที่มันฟุ้งขึ้นมาจากคนเดินไปเดินมาทิ้งขยะมลฝอยเที้ยวเยี่ยวเที่ยวขี้ไว้ในวัดแม่เมย์ช่วมมันก็ไม่ทัน บางคนไม่รู้ไปเที่ยวถ่ายว่าข่างถางเป็นหลวงพ่อไม่อยากไปอาญญา่านอย่างใครมานี่บนบอกมไม่ว่างไม่ว่าไม่ไปไปก็เทศก็ไม่ได้เรื่องเพราะคนมันสนใจแต่จะปิดทองหรือว่าได้ปิดทองแล้วก็ได้ไปสวรรค์ไม่รู้สวรรค์ไหนได้ปิดทองลูกในเม็ดเจ็ดวัดแล้วไม่ตกนรกเอมันก็ยังตกอยู่นั่นแหละ อย่างน้อยก็ตกในโลกความงู้อยู่ยังไม่ฉลาดขึ้นเป็นอย่างนั้นการทําทานนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันทําบุญก็ต้องระวัง <c oughs> ทําให้มันพอดีอย่าทําให้มันเกินพอดีไป <c oughs> จะเกิดปัญหาแก่ชีวิตเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระสงค์เราก็ไม่ควรทําอะไรที่เเรียกว่ามันเกินไปเกินพอดีมันใหญ่เกินไป ตอกใช้เงินตั้งมากมายเป็นพันเป็นหมื่นล้านมันไม่ไหวประชาชนเดือดร้อนนึกว่าเขาจะได้ไปสวรรค์แต่สวรรค์ที่ควรไปก่อนคือสวรรค์ในเมืองคนสวรรค์อยู่ในเมืองคนไม่ได้อยู่บนฟ้าคนต้องฟ้าที่ไหนแต่อยู่ในในใจของเรา สวรรค์มันอยู่ในใจของเรานารกก็อยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าท่านพูดชัดเจนพูดว่านารกสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้เกิดถ้าว่าใจเราดีก็เป็นสวรรค์ใจเราชั่วก็เป็นนรก ตาดูอะไรเห็นอะไรแล้วก็ปรุงแต่งในทางชั่วก็เป็นนรกหูได้ยินอะไรได้กวังอะไรถ้าปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกนรกจมูกได้กลิ่นอะไรปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกนรกลิ้นได้รสอะไรเอามาปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกนรกกายถูกต้องอะไร ใจปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกรบในการกรงกันข้ามตาปรุงแต่งในทางดีก็เป็นสวรรค์สวรรค์มันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจพระเยซูแกพูดดีมาก น, นะพูดว่าสวรรค์อยู่ในมือของท่านทั้งหลายก็หมายความว่าอยู่ที่ใจ <c oughs> ไม่ใช่อยู่บนฟ้า นรกไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่มันอยู่ในใจคนถ้าเรานั่งกลุ่มใจก็หมายความว่าตกนรกแล้วนั่งเครียดก็ตกนรกแล้วนั่งด้วยความลูกความโกรธความหลงก็ตกนรกแล้วนั่งด้วยความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ตกนรกอยู่แล้ว แต่ถ้าเรานั่งด้วยใจเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็นั่งในสวรรค์สวรรค์อยู่ในตัวอยู่ใกล้เราพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าสวรรค์ น, นรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่เราไปฟังเรื่องนรกไตดินสวรรค์นบนฟ้า นั่นมันมีมาก่อนมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนรกสวรรค์แบบบุคลบคลาทิตฐานบทบุคคลแบบบุคลบค ล, คลสมมุติภาษาคนแต่ น, นรกสวรรค์ที่แท้เป็นภาษาธรรมะก็เกิ อ, อยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเราตาดูอะไรคิดเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้ โอ้ได้กินอะไรเป็นนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้จะมูกได้กลิ่นอะไรเอาไปคิดเป็นนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้กายถูกต้องอะไรเอาไปปรุงแต่งเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้ใจได้คิดอะไรเป็นนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้มันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ตายแล้วไปอยู่ ตายแล้วไปอยู่วิมานสูงเมืองห้องกรุงมีวิมานเยอะสูงทั้งนั้นรุงเห็นคอตั้งบ่าวิมานเมืองห้องกรุงอยู่กันบนนั้นกรุงเทพก็เริ่มมีวิมานแล้วเพราะว่าเทวดาอยู่วิมานสูงห้าสิบชั้นขึ้นลงก็แย่แล้วปวดหัวเก่า เทวดาคงจะปวดกล่าวเพราะปีนบันไดขึ้นบันไดลงแย่เขาเขียนมาอย่างนั้นคือนนกกว่าของสู ง, ส, งสูงแล้วก็เป็นสวรรค์แต่ต่ําลงไปก็เป็นนรกนรกก็มีเรื่องมีราวเลาว่าให้ฟังตกหกตกใจกันกลัวกันกลัวนรกข้างหน้ามันไม่ถูกแต่กลัวนรกเดี่ยวนี้ดีกว่า ลัวนรกเดียวนี้ก็คือว่าเราไม่คิดอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้จิตใจต้องร้อนต้องกระวนกระวายเราก็พ้นนรกแต่แต่เราคิดไม่ถูกก็ตกนรกทำให้เราตกนรกด้วยความงู้งู้แล้วตกนรกเพราะงู้แล้วคิดปิดพูดปิดทำผิดกบคนผิดไปสู่ที่ปิด ตัวนรกตัวแรกเกิดตัวงูตัวปัญญาเป็นตัวสวรรค์แต่ใจเรามีปัญญาเราก็คิดถูกพูดถูกทำถูกครอบคนถูกต้องไปสู่สถานที่ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ไกลไปที่ไหนอย่าไปคิดข้างหน้าคิดในปัจจุบันในเห็น ว่าเรานี่กําลังถางทางไปนรกหรือถางทางไปสู่สวรรค์แต่เรากระทำความชั่วเช่นว่าเป็นคนประพฤติในอบายมุกเสพสิ่งเสพติดเมอนเมาเนี่ยก็ถางทางไปนรกแล้วก็เล่นการพ น, นันก็ไปนรก ก็ เ, เพื่อนชั่วก็ไปนรกเที่ยวกลางคืนไปนรกสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองก็เรียกว่าไปนรกเกียรติาการงา น, านาก็ไปนรกไปนรกคนที่เกิดในสกุลร่ํารวยแต่ว่าไม่ทํามาหากินมัวแต่จ่ายทซั์ในทางที่ไม่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสาร ล่มจมนั่นก็เรียกว่าบุกเบกิกไปสู่นรกแล้วชีวิตก็อยู่ในนรกอยู่อย่างเดือดร้อนเป็นทุกข์ตลอดเวลาต้องซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นหน้าเพราะเมื่อก่อนใครเห็นหน้าก็ยกมือไหว้ในฐานะเป็นคนร่ำรวยเดี๋ยวนี้ใครเห็นหน้าก็ก็ดูเหม็นติ่นแกลน เลยไม่อยากให้ใครเห็นหน้าต้องเที่ยวซ่อนตัวอยู่ในที่มืดก็เรียกว่าอยู่ในภาวะของเปรตเปรตมันชอบอยู่ที่มืดที่ชื้นที่แจะที่อับอับชื้นชื่นก็อยู่ในที่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหนไม่มีหน้ามีตาก็ะของทำเอาเองตั้งนั้นแหละไม่แจ่ใครทำไม่ เราสร้างนารกเกิดขึ้นสร้างสวรรค์ขึ้นสร้างพระนิพพานขึ้นในตัวเราเรา ท, ทำเอาเองไม่มีใครทาให้อันนี้ทำอะไรโดยไม่มีปัญญาเพราะไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคําสอนที่ถูกต้องไม่เอาไปคิดไปตรองให้เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติในทางที่ถูก ชอบตามใจกิเลสตามใจความลู้ตามใจความโกรธตามใจความหลงตามใจความริตยาพยาบาทอยู่อย่างทาตไม่ได้อยู่อย่างไทยไม่ได้อยู่อย่างมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างพุทธบริษัทมันก็ตกต่ำชีวิตตกลงไปตกลงไปจนจมหายไป ก็เรียกว่าจมธรณีมีคนไม่ใจน้อยสมัยก่อนเดินอยู่ในหมู่ก่อนต่อมาจมลงไปจมลงไปจมธรณีไปเลยมันจมไปเพราะอะไรเพราะสร้างบาปสร้างกรรมทำแต่เรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่ทําเรื่องดีมันก็ตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นเรื่องต่ำๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องดีกับเขาเลยเกิดมาชาติหนึ่งพยายามทาทางไปสู่ที่ต่ำไม่ทําทางไปสู่ที่สูงไม่ไหวตวนกระแสะลูกไหลไปตามกระแสะของลูกเหมือนกับปลาเน่าปลาตายปลาตายมันไหลไปกับกระแสะน้ำ ปลาเป็นมันว่ายทวนน้ำนี่างฐาน้าไหลอย่างี้มันก็ทวนทวนทวนอยู่ตลอดเวลาทวนขึ้นไปหาต้นน้ำปลาเซนมนแ <c oughs> เซนมนเนื้ <c oughs> อมันอร่อยพอถึงฤดูแล้วมันก็ว่ายทวนน้ำขึ้นไปขึ้นไปถึงต้นน้ำานะไปวางไข่วางไข่แล้วแม่ตาย ไหลตกอยู่แล้วออกเป็นตัวออกเป็นตัวมันก็ลอยมาตามกระแสน้ำออกไปทะเลจนกระทั่งเติบโตพอจะวางไายก็จว่ายตัวน้ำขึ้นไปต้นน้ำชาวบ้านเขาไปดักจับทางที่ปลาเซนมอนขึ้นรัฐบาลเขาห้ามแม่จับเอาคุมพัวปลาจัดสูญพันธ์ ไม่ให้คนจับ ม, มันก็ได้ขึ้นไปวางไข่วางไข่แล้วตัวมันก็ตายเพราะไม่ต้องเลี้ยงลูกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยดมนี่ออกตัวแล้วก็ต้องเฝ้าดูแล <c oughs> ประคบประงมจนลูกเติบโตจึงปล่อย แต่สัตว์ประเภทลูกไม่ได้กินนมเนี่ยพอขายแล้วหมดไนไม่ต้องดูแลเป็นอย่างนั้นมันว่ายทวนน้ำคนเราอยู่ในลูกนี่ต้องทวนกระแสของลูกกระแสของลูกก็คือกระแสกิเลสกระแสความลูกความโกรธความหลงตัวใหญ่ ลูกโกรธหลงมีสามตัวตัวใหญ่ตัวการใหญ่ก็เรียกว่าเป็นรากงาวของบาปของอกุศลความลูกคื อ, อยากได้ไม่รู้จักจบอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อยากได้เกินขอบเขตอยากได้ของคนอื่นเพื่อเอามาเป็นของตัวมันก็เข้าไปขโมยไปลัก ไปทุบตีเจ้าของเม่าวานคนที่มาจากระนองเล่าให้ฟังว่าญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่นี่คเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมัยอยู่ระนองเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบานวัดอุปนันทารามเด็กมาเรียนเด็กเหล่านั้นเวลานี่อายุเกือบ เจ็ดสิบแล้วก็มาเยี่ยม บ, บอกว่าถามอีกคนหนึ่งว่ามาไมมสบายสบายประโจนเข้าไปปล้นบ้านมันทุกทุกผัวเลือดกระจายเชื่อคอแต่หนังมันหนังคนแก่แล้เชื่อยากเลยมันเหนียวเนียวหน่อย ชืดไม่เข้าก็มีดก็คือบมีดหันผักอันนี้เอามาชืดชืดไม่เข้าอะไรมันทุบใสยไม้โทษ น, นอนนิ่งเต้นเช้าขึ้นไม่เป็นไรยังหุงข้าวใส่บาตหุงข้าวใส่บาตปกติพระมามีตาบดเห็นเลือดตัวหมูทวนหัวบอกอว่าโยมทำไมอ่ะ เลือดไะไหบนหัวอ้าวเด็ดๆหน่อยนอยไม่เป็นไรป้าเขาตกใจเลยไปบอกคนชาวบ้านบอกว่าแม่พูนน่ะแก้วเลือดเต็มหัวไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็ไปพาไปโรงพยาบาลให้หมอจัดการรักษาแล้วหลานเก๋ยอยู่ที่เกาเขียว หัวหน้าอุตยานต่อไปป่าขึ้นแรืบินมาไปเข้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ธิราชาศักษาจ้ไหนเป็นปกติไอ้คนที่เป็นโจรก็ถูกจับตำรวจตั้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายหลานก็บอกว่าอ๋อตั้งข้อหาเบาเกินไปเข้าไปปลุน ทำร้ายเจ้าของจะฆ่าให้ตายแต่มันไม่ตายเลยอยู่ในคุกนี่คนมันทารุนอย่างนั้นกล่าวไปเอากล่องเพราะว่าก่อนเวลานั้นเขาเข้าไปในบ้านนั้นเห็นอีกคนหนึ่งมีสายสร้อยสร้อยคอมันอยากได้แต่คนนั้นไม่อยู่ เวลานั้นออกไปพี่อื่นอยู่แต่คนถึงไม่มีสายสอยมันก็ครู ว, ว่าเอาไปซ่อนไมไหนแต่บอกฉันไม่มีฉันแก่แล้วจะไปแขวนสายสร้อยตุ้มหมูทำไมมันไม่เชื่อมันทุบเลือดสูงคนร้ายมาอย่างนั้นแต่เขาจับได้เพราะจำหน้าได้จำชื่อได้บอกตํารวจตารวจก็จับไป อย่างนั้นโยมอย่าไปแต่งเนื้อแต่งตัวมันรู้ราผู้ฟ้าไปไหนมาไหนอ่ะไม่ต้องแต่งแล้วแต่งทำไมอายุปูนนี้แล้วจะแต่งไปทำไม <c oughs> แต่งแล้วมันล่อกขโมยมันเห็นแล้วมันไม่ชอบมันตามไปแต่เรานั่งรถมันก็ตามกีมอเตอร์ไซค์ตามไป ไปเต็งนังเรไหนมันหยดจี้ต้องให้ให้มันไปเต้อย่าให้มันโมโหโกรธาเอาไปเลยเอาไปเลยเ อ, ลเอาไปเต้ลูกเขาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยสรวนชีวิตไปเพื่อได้อยู่ต่อไปแต่ถ้าเกินต่อสู้มันก็ตายไม่ได้เรื่องพระองค์หนึ่งอยู่ที่วัดที่กุนทองอำเภอบางกลวย เป็นพระดีเกิดไปอยู่ชัยยาทำหน้าที่ถ่ายเทปกรเทปไรทำอยู่แต่เรื่องอย่างนี้นอยู่ในโรงหนังจ่ายหนังให้คนดูอธิบายภาพอะ ไ, ไ, ไรต่ออะไรดีกานเจ้าคุณมรณาภาพแกก็เลยกลับมาอยู่วัดปิกุ่มทองแต่นำเครื่องมือ เครื่องขยายเทปเครื่องอัดเทปอะไระอะไรมาวายในห้องเต็มหมดตำรวจไปสอบสวนเรื่องพระถูกยิงเนี่ยแกถามมาที่วัดนี้บอกว่ารู้จักท่านหมาปรีชาไหมบอกว่าไอ้หมาปรีชาไหนอยู่วัดปิคุณทองเห็นในห้องมีแต่หนังสือสวนมุกมีเทปสวนมุกทั้งนั้นอ๋อ oh. เป็นพระเกยอยู่สวนมุกแล้วกลับมาอยู่บ้านเดิมออกไปบินบาบเจ้าๆมันยิงทีหนึ่งแล้วกรังก่อนถูกแขนถูกท้องเชียดก็ไปไม่ได้อยู่ต่อมาหลายเดือนมันยิงใหม่มันยิงเข้าหัวเลยแต่ไม่ทะลุถากหนังหัวกระสุนมันระเบิดเข้าไปในสมอง แยวนี้เป็นพระนิตานอพูดไม่ได้อยู่โรงพยาบาลประมงกุฎเก้าหมอก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียดายลองพ่อไปเยี่ยมที่วัดไปศึกษาดูว่ามันเรื่องงานอะไรถึงได้ยิงแถวนี้มีนักเลงไหมคนเก๊กามีไหมหมอมันก็มีแต่ว่า ไม่รู้ว่ามันยิงทำไมเรื่องอะไรมันมันมีปัญหาถามวัดนี่มีที่ให้เขาเช่าอะไรอะไรบ้างไหมไม่ไ ม, ม, ไ ม, ม, ไ ม, ไมีไม่มีอะไรแล้วมันยิงทำไมไม่มีอะไรมันต้องมีเรื่องมันยิงตั้งสองครั้งต้องมีเรื่องแต่หาเหตุไม่ได้ตำรวจก็ไม่รู้จะไปสืบ อ, อย่างไร ลอยไว้ก่อนไป็ังไงารุณเดี๋ยวนี้พระพรณะบ่อยเผลอๆมันยิงพวกก็ยิงพระเนี่ยบอกกูไม่ยิงให้ถูกจีวรกลัวบาป <c oughs> <c oughs> ยิงพระหมายแต่ว่ายิงถูกจีวรน่ยกลับาปกูยิงหัวเลยแห <c oughs> ล่ายิงถูกหัวเลยไม่ถูกจีวร ยิงหัวมือตายไปยงั้นคนเดียวนี้ใจ จ, จะตกต่ำเต็มทีและไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเอาแต่ประโยชน์พวกมือปืนรับจ้างไปยิงเป็นอย่างนั้นทางก็แคบกาง ก, กำแพงปราเดินไปริฐบัติมัน อยู่ข้างทางมันยิงตารุนพอสมกวรก็าบอกว่าหลวงพ่อไปไหนต้องระวังนะอกใครมันจะมายิงหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะเทศบ่อยๆไปเที่ยวว่าเขาว่านักการเมืองมาแล้เวเมันโกรธขึ้นมา มันใชเมื่อปืนบางเพชรจะมายิงแต่ไม่ได้คนเแยวนี้มันบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันจะฆ่าแลวมันฆ่าทั้งนั้นเพราะงั้นต้องระมัดระวังอย่าไปสร้างศัตรูกับใครๆสร้างมิตรไว้ไม่ให้เขาโกรธเขากเกลียคนแถวนี้มันโกรธแล้วมันจะฆ่ากัน อ, อยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้เนี่ยมันถึงขนาดอย่างนั้นอยู่ อาุนเลกเกิดโกรดนิดโกรดหน่อยอยู่ร่วมแผนดินกันไม่ได้ต้องฆ่าระเบิดฆ่านี่มันรายสมัยก่อนไม่ค่อยมีโกรธใครก็ไปตีศีรษะหน้าโรงลิเกพอเลือดออกยิบซิอะสบายใจเอาเลือดมันออกแล้วไม่ตายแต่เดี๋ยวนี้ความโกรธเท่ากันอาวุธปิดกันปืนแต่นี้ปืนทั้ง เปื่อนเรียบร้อยตายเป็นอยางอันตรายชาวลูกตกต่ำทางจิตใจเพราะไม่ค่อยยึดธรรมะาศาสนาเป็นหลักใจแล้วต่อไปจะเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้น <c oughs> เพราะคนกดันกดศีลกัดธรรมไม่ถือศีลห้า ไม่ถือศีลก็หนึ่งก็ข่ากันไม่ถือศีลก็อสองก็ลักกันไม่ถือศีลก็สามก็ประพฤติผิดในทางขาวอารมณ์ไม่ถือศีลก็สี่ก็พูดโกหกหลอกลวงหยาบคายต่อกันดากันว่ากันไม่ถือศีลก็หาขาดสติขาดปัญญาชีวิตไปไม่รอดอ่าเพราะขาดศีลาดตําชีวิตตกตำ่ำ ถ้าคนหันหน้าเข้ามามีศีลมีธรรมประจําใจลูกสงบหยุดท่านพุทธตาบอกถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศีนธรรมไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนแต่คนมันไม่เอามาใช้เหมือนน้ำมีอยู่แต่เราไม่ดื่มอาหารมีเราไม่กินอากาศหายใจมีเราไม่หายใจมันก็ตายนั่น คนมันก็เป็นอย่างไม่เอาธรรมะมันเกรียดธรรมะไม่สนใจธรรมะเลยประพฤติชั่วกันชั่วแปลกๆรุนแรงลูกตีพ่อตีแม่ข้าพ่อก้าแม่ทำอะไรแปลกๆเพราะว่าจิตมันตำ่ำต่ำลงไปกว่าความเป็นคนไปเป็นสัตว์เดรัจฉา อันนี้สำคัญมากต้องระมัดระวงังไม่ให้เกิดในครอบครัวเราไม่ให้เกิดความชั่วเหล่านั้นต้องรักกันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าตรัสว่าให้รู้รักสามัคคีให้อยู่กันด้วยความรักด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์คุณงามความดีไม่สร้างสิ่งชั่วร้ายไม่คิดร้ายต่อกันไม่เบียดเบียนต่อกันก็จะมีความสุขปนทุกข์ปนร้อนเมื่อเกินวันที่สี่เนี่ยพาม า, มาไม่ไม่ไปไหนวันที่สี่ต้องอยู่ฟังในหลวงแต่ว่าเปิดโทรทัศ น, น์ช่องนั้นเขาไม่มีช่องนี้เขาไม่มีนู่น เขามาออกเขาสองทุ่มออกตั้งนานตอนตอนที่ท่านตัดจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทอดแต่ไปอัดเสียงมาออกสองทุ่ก็เลยนั่งฟังกันจนจบประองค์ตรดคำสำคัญสำคัญก่อนวันเฉลิมทุกทีทำความเข้าใจกับประชาชน นานักการเมืองกับข้าราชการทหารพลเรือนทั่วไปได้กวางแล้วก็กระทบทั้งหมดเหมือนแสงประอาทิตย์ส่องลงมาในโลกไม่ได้เลือกว่าบ้านคนมั่งมีคนยากจนคนโห้คนฉลาดส่องถึงทุกบ้านจนันใดคำตรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกัาไปทุกบ้าน ที่เมเครื่องตัรทัศน์รับฝังเมวิทยุรับฝังก็เข้าไปทึกบ้านได้ยินได้ฟังกันทั่วถึงเป็นการจรัดเตือนเหมือนพ่อเตือนลูกให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ในการงานให้ทำหน้าที่ด้วยความรักหน้าที่ด้วยความขยันด้วยความเมาใจใส่ด้วยการคิดค้นทำงานเพื่องานทำงานเพื่อให้ ไม่ได้หวังอะไรมากมายหวังแต่ว่าให้งานสำเร็จเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย mm hmm. องค์พระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทำพระองค์เป็นตัวอย่าง mm hmm. เกิดน้าท่วมที่ไหนก็ไป mm hmm. เกิดภัยธรรมชาติที่ใดก็เสด็จไปไปเยี่ยมไปเยี่ยนเอาของไปแจก ชาวบ้านได้เห็นพระองค์ก็ชื่นใจได้รับของแจกก็สบายใจเอาไปกินไปใช้กราบไหว้พระองค์ุกคนแก่แก่นั่งแด้ความเคารพเม่ยภาพตอนหนึ่งในหลวงเสด็จไปทางภาคตอนออกเสียงหาหรือภาคเน่นแก่คนนั้นแก่ไปนั่งนอกเพิดแต่พระองค์ต้องไปทางนั้น แก้มแก้วไว้ใบเป๊ปซี่กวดจะจ้องพอในหลวงได้มาริน่นใจยื่นถวายในหลวงในหลวงรับมาแล้วก็สเสวยหมดแก้วเลยส่ง <c oughs> แก้วไว้คุณยายคุณยายดีใจคงจะปลื้มใจ จ, จนจนตาย เวลาป่วยหนั ก, ก่อ น, นึกถึงไอ้น้ําแก้วนั้นสิทไวในหลวงปลื้มใจแกไปสู่ไปแกไปสวรรค์คุณยายคนนั้นไปสวรรค์พอพอในหลวงรับในแกขึ้นสวรรค์ลแล้วให้หลวงเดิมปัสแกลงแก้วไอแ ก, กปลื้มกลมครับนั่นแหละขึ้นสวรรค์ลแล้วปลื้มใจคนมารักในหลวง ได้เห็นภาพในหลวงก็สบายใจพระองเสดจไปไหนคนก็อุสามาเดินทางไกลๆมานั่งทางแดดกลางลมรอเอ่ไหใคขย้อยรอให้เสด็จมาให้หลวงกบเดินไปเยี่ยมตักตาปลาัยกับคนเท่าคนแก่ยื่นมือไปก็จับหอม เด็กๆก็จับมือไม่ถือพระองค์เป็นที่ประทับใจของชาวบ้านไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศไหนในโลกที่ทำอย่างพระองค์ก็ททำพระองค์จึงเรียกว่าอยู่ในดวงใจของประชาชนประชาชนรักเคารพ บ, บูชา บูชาคุณงามความดีของพระองค์ที่ทรงกระทาอยู่ตลอดเวลามีรูปตายรูปงเงือไหลที่ปลายจมูกตายเก่งมากคนนะพบตัวเขาแล้ววันนั้นไปรับรางวัลข้าชวนกนให้เลิกบุหรี่ที่ปฏินั่งดูสิก็ว่าบอกไหมให้ภาพ ในหลวงเหือดไหลปลายจ ม, มูกในใครถ่ายไว้โอผมเองเออถ่ายดีมากรูปนี้ดีมากเหือออกติ้งถ่ายปุ๊บไปอากรรโชกไปที่จังหวัดลําพูนไปนั่งในห้องผู้อํานวยการเป็นรูปนั้นโอ้รูปนี้ดีมากผู้อํานวยการบอกว่ารูปนี้ให้กําลังใจผมมาก เวลาใดท้อแท้เบื่อหน่ายการงานก็ไปยืนดูรูปนี้แล้วพูดกับตัวเองว่าในหลวงทํางานจนเอือรไหลแล้วเราจะขี้เกียจได้อย่างไรจะท้อถอยเบื่อหน่ายได้อย่างไรพระองค์ยังทรงปฏิบัติงานจนเอือรไหลพระจมูกเราต้องทําเหมือนพระองค์ได้กําลัง เข้มแข็งทำงานต่อไปนี่เรียกว่าให้กำลังใจเพราการกระทําของพระองค์พระเจ้าแผ่นดินทำอย่างนี้ก็เป็นที่รักของประชาชนในหลวงรัช ก, การที่ห้าท่านก็เสด็จไปเยี่ยมประชาชนแต่ปลอมพระองค์รเรียกว่าปลัดพาศต้นไปเรือ ปี่ๆน่องๆไปกันหลายคนกรมพระยาดำงรงกรมพระยาตวิววงศ์กรมหลวงประจักษ์ศิลปากรมไปกันหมดนะพร้อมตั ว, วนะแตั้นแต่งตัวเป็นชาวบ้านคุยกันแบบชาวบ้านไปจอดเรือหน้าบ้านขึ้นไปบนบ้านเขาก็บ้านใจเขาก็ไครมาก็เขาต้อนรับเขาไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าเป็นนี่เขาต้อนรับ ให้นั่งเอาหน้ามาเลี้ยงแล้วแม่บ้านขอตัวจะไปหงุงทำกับขา้าวเลี้ยงขณะทำกับขา้าวกลมล้องประจักเข้าไปในครัวไปเอาจะหวักตักแกงมาชิมเจ้าขอมานเ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้เ็าถือแล้วถ้านำมาชิมดู <c oughs> ก็ไม่หวาอะไร แล้ก็เวลานั่งล้อมบงทานอาหารกันทานไปทาน ไ, ไปดูไปเดูนี่มันคล้ายกับเจ้าแผ่นดินเลยเลยรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินมาสเสวยอาหารที่บ้านเจอบ้านนายช้างอยู่บางปะอินเนี่ยนายช้างนายหลวงถามว่าเคยไปกรุงเทพไหมเคย ไปที่ไหน่ะไปวัดเบญจมาบพิตรเป็ปลกูกชายบวชอยู่ที่นั่นเป็นมหาอยู่ที่นั่นอ๋อทีกลาวหลังไปแล้วไปแวะบานฉันมากนะก็นายช่างก็ไปเที่ยวไปซื้อก้าวไปในวัง มองดษสินะในหลวงท่านไม่รับที่วัาไปรับที่บ้านแบบทรงไทยบ้านแบบทรงไทยไปนั่งรับที่นนรับเพื่อนต้นก็ถามว่าอยากได้อะไรบ้างอยากจะได้ปืนสักกระบอกในหลวงก็รับสั่งให้ชื่อปือนได้แล้วบอกว่า ลูกชายมาอย่วัดเป็นจะสะดวกสบายนีไหมก็ขัดข้อมบ้างอาหารการกบฉันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ไม่เป็นไรต่อไปฉันจะเลี้ยงเขาให้คนส่งปิ่นโตไปให้ให้เลี้ยงลูกชายในชนจาจ้าแต่ว่าเป็นเพื่อนต้นเสด็จทางเรือไป ไปในไปนั่งในเรือไอ้ลูกเจ้าของเรือแล้วมานั่งดูเฮ้ยแมนแล้วแมดแล้วกราบในปทุนเอารูปเอ้ยเหมือนนี่เหมือนเหมือนนะเหมือนเน่เลยก้มลงกราบทุกคนกราบดีใจว่านในหลวงได้มาลงเรือของทุน ก็ดีใจไปวัดบางแห่งก็รถนาบนญในหลวงก็ไปนั่งให้ขารถนําบุญด้วยปะเขารถนาบนุญนายไม่รู้ว่ารถไกลถ น, นําบุญนาแล้วทีหลังก็แสดงพระองค์ว่าเป็นเจ้าแผ่นดินเห็นว่าพระองค์นั้นช่วยเหลือประชาชนก็ตั้งให้เป็นพระครู แลยได้เป็นประครู่เพราะในหลวงไปเป็นเงานคนสมัยก่อนนี้คนไม่ค่อยรู้จักในหลวงเพราะไม่มีโทรทัศน์ในหลวงเป็นคนแก้วเรือบ้างไปเดินต้งกางกรเก่งจีนใส่กําหมกไม่ไปเดินไปพบใครก็คุยกันอะไรกันได้เรื่องได้ราเดี๋ยวนี้ในหลวงจะไปอย่างนั้นไม่ได้คนมันเห็นภาพเข้าใจ แต่ก็เสด็จไปเยี่ยมไปเยียนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในบางโอกาสตลอดเวลาอันนี้เป็นน้ำพระไใยพ ร, ระเจ้าแผ่นดินท่านทรงประพฤติ ธ, ธรรมทั้งสิบอย่างเราเรียกว่าทศพิตราชธรรมมีทานมีศีลเป็นต้น ทานการให้พระองค์ก็ให้สู่ตลอดเวลาเล่าเรื่องว่าที่สระบุรีตรงนั้นมันแห้งแล้งตำน้มไม่ได้ผลพ <c oughs> ระองค์ก็ไปซื้อที่ดินสิบห้าไร่ซื้อด้วยเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่ของราชการ เอ็ส่วนตัวที่เก็บไว้เก็บไว้เหลือจ่ายเล็กๆเก็บแล้วไปซื้อได้มาแล้วก็ให้ขุดสะบ่อน้ำคนเดินก็ไปซื้อแถวนั้นขุดบ่ไม่ได้น้ำขุดสะไม่ได้น้ำเลิกไปแต่ของพระองค์นี่ไปขุดแล้วมันได้น้ำเอ อ, อดวงมันดี <c oughs> ได้น้ํา แล้วก็ทำการพ่อปลูกปลูกนั่นปลูกนี่แหละทำอะไรเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านทำตามที่สระบุรีแล้วก็ทำที่อื่นด้วยเรียกว่าให้กินอยู่พอเพียงตามนโยบายไม่ยากไม่จนไม่เดือดร้อนมีรายได้ประจำเดือนประจำปีนี่ทรงช่วยปฏิบัติได้ดู ในสวนกิจน่ะมีทุกอย่างมีนามีไร่ข้าวพูดมีโรงงานโรงคานเต็ไมไปหมดนะเป็นสถานีทดลองประเภทต่างๆที่ได้ทรงทาดูปลูกข้าวโพดดูทำนาดูโรงสีเล็กสีข้าวดูได้ข้าวอย่างไร ม, มีโรงนมโรงทำนมขาย ตำดมผงตำดมถุงให้โรงพยาบาลได้คนไข้ได้ใช้ทำเป็นตัวอย่างได้ความรู้แล้วเอาไปสอนชาวบ้านในทำต่อไปไม่ไม่เหนื่อยในหลวงไป่เหนืทำงานไม่เหนื่อยข้าราชการนี่มีพักร้อนตำมาไปพักร้อนสิบวันได้เบครอสในหลวงไม่ได้พักเลย ทำงานไม่ได้พักร้อนแล้วไม่ได้ขึ้นเงินเดือนด้วยนาในหลวงเงินเท่าใดก็ได้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นท่านก็ไม่กอขึ้นอะไรเขาให้เท่าใดก็ใช้เท่านั้นไม่เดือดร้อนแล้วเงินที่ได้ก็เอาไปทําบุญอีกช่วยเหลือประชาชนตั้งทุนมาโนิทินั่นโมนิทินี่ไปช่วยเหลือ ชาวบ้านด้วยประการต่างๆไม่มีพระเจ้าแผ่นดินในลูกประเทศไหนที่ทำเหมือนในหลวงของเราพระองค์จึงเป็นผู้นั่งอยู่ในดวงใจของประชาชนถ้าถ้าใครจะชวนชาวบ้านกระบทในหลวงชาวบ้านไม่เอาไอ <c oughs> คนไปชวนจะถูกทุกหัวโดยสัมภาร อะไรชวนทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเขาจะรุมกระกระธืบแต่พระเจ้าแผ่นดินประเทศลาวลเขาชวนให้ขับไล่ประชาชนเดินก็บวนขับไ ล, ล่หมดเจ้าแผ่นดินไปเลยทำไมจึงเป็นท่านไม่ค่อยไปหากนอยู่แต่ในวงังไม่ไปไเคยไปข้าท่านตรัสคำเบาๆฟังไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าท่านพูดว่าไงมาถึงพุ๊บพระบอกหมไปขก้าฝ่าวเจาว้าหมาชีวิตไม่รู้ท่านพูดอะไรพระบอกก็ท่านไม่เคยพูดท่านนั่งเฉยๆไม่ได้เรือแ้วก็ชวนประชาชนเดินกลับไล่ก็ต้องไปไปเป็นชาวบ้านธรรมดาทำนาทำไรกลมกลมใจก็สวรรค์คดไป็ไปอย่างั้น เพราะไม่เป็นที่รักของประชาชนแต่ในหลวงของเรานั้นคนมันรักเคารพ บ, บูชาเพราะมีแต่ให้มีแต่การกระทําที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนเราลาําบากขอขอให้ประชาชนเป็นสุขนี่เป็นหลักใหญ่ที่ทา เราทั้งหลายที่เป็นข้าทูลละอองทุลีประบาทของพระเจ้าอยู่ในวันเฉลิมประชนพรรษาเมื่อวานนี้ก็ควรจะได้ตั้งใจว่าเราจะอยู่ด้วยความดีทากิจที่เป็นประโยชน์แก่กันและกัน อย่าได้คิดไปในทางเบียดเบียนกกลมเมงกันเองร้ายต่อกันอย่าคิดไปในทางลูกทางโกรธทางหลงแต่ให้อยู่ด้วยเมตตาปรานีเดินตามรอยเท้าของพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะมีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าสอนว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้ว เจ้าอยู่เป็นผู้ใหญเป็นประมุขของเถอะท่านเดินทางถูกทางชอบเราก็เดินตามทางนั้นปลอดภัยเดินตามหลังผู้ใหญยหมาไม่กัดหมาที่นี่หมายถึงความชั่วไม่แตะต้องเราเพราะเราเดินทางดีทางถูกทางชอบเวลานี้ประเทศไทยต้องการอะไร ต้องการความรักความสามคัคคีความร่วมแรงร่วมใจการสร้างสรรค์สิ่งเตเป็นสาระเป็นประโยชน์ไม่ใช่อยู่กันด้วยความโกรธความเกลียดมุ่ง ม, มา่ปรารถนาไายต่อกันอยู่ไม่ได้ต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหากันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันทํากิจทันเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ ประเทศชาติบ้านเปื่ตามรอยเท้าของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็จะมีความสุขความสบายไม่แดดร้อนเลยขอให้เข้าใจอย่างนี้พูดมาก็สมควรเวลาวันนี้ใครจะบอกญาติโยมสักอย่างนะ่โยมดูเก้าอี้เก้าอี้นี้เอาไปซ่อมแล้ว เกาอี้เดิมนะแต่วางแล้วแอ่นี่มันใหม่นะวันนั้นหลวงพ่อโดยเก้าอี้ใหม่เอามาจากไหนบอกว่าไม่ใช่เก้าอี้ใหม่เก้าอี้เก่าแต่เอาไปซ่อมเขาคิดราคาค่าซ่อมตัวละร้อยเวลาเนี่หลวงพ่อเป็นลูกนี่คนซ่อมเก้าอี้อยู่หมืน่นสองพันห้าร้อยอันนี้ใครมานั่งเก้าอี้มันต้องคิดค่าเช้ากันบางแล้ว <laughs> ตัวละบาทตัวละบาทนี่จำนวนสองร้อยกว่าตัวบายตีนีแบาซ่อมโยมดูดิซ่อมแล้วสีสันวันหน้ามันเปลี่ยนไปจากเดิมยางหลุดไปใส่ให ม, หม่หมดใหม่แล้วตัวละร้อยถูกมากถ้าชื่อใหม่ แปลกเนี่ยเอามาวางประกันนายใหะตาสมัยคนคนเขาผ่านผ่านโรงอยู่ที่สาธิกเกษตรแอวเขาไปที่นั่นบ่อยๆคุ้นเคยเ ล, ยล่าเรื่องให้ฟังโอ้คุณแอวเอามาผ ม, ผมชอบคิดการติ๊ก่อตัวละร้อยไม่แพงฮะเลยเอาไปให้เขาซอบเอามาวางเรียบร้อย อันนี้ต้องมาคิดกาดสอมกโยมมยมจะให้ตัวละกี่ร้อยก็ได้เอามาใช้ในกันนี้วันนี้ไม่ต้องใส่ยาบใส่กันเป็นข่าเก้าอี้อันนี้ตามไม่มีเก้าอี้ก็ไม่ได้นั่งฟังเทศสบายคนข้างนอกจะช่วยด้วยก็ได้ไม่ว่าอะไร ช่วยวยเจ้าใจข่าเขาอีกเอาตอนนี้ไปเดี๋ยวก่อนนั่งสงบใจก่อนนั่งขอโยมสงบใจก่อนเอาต่อไปนี้นั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีนั่งสงบใจกําหนดลมหายใจก้าวหายใจออกอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่าให้ไปนึกเรื่องอื่นไปนึกที่ลมเก้าลมออก เวราอภยาป ช, ชาอเนีคาสุขีอัตนานปริหารันตูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น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 ต้องมีความสุกกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด